บทภาชณีภิกษุไปเพื่อจะดูต้องอบัตทุกกดภิกษุยืนดูในระยะที่พอมองเห็นต้องอบัตปาจิตตีพ้นวิสัยจะเห็นแต่ภิกษุยังมองดูอีกต้องอบัตปาจิตตีภิกษุไปเพื่อจะดูกองทัพแต่ละกองต้องอบัตทุกกดภิกษุยืนดูในระยะที่พอมองเห็นต้องอบัตทุกกดพ้วิสัยที่จะเห็นแต่ภิกษุยังมองดูอีกต้องอบัตทุกกด